น้ำท่วมเจ็ดเมตรท่วงแล้วไม่รอดไม่ต้องบอกุณไม่ใช่บอกให้กลัวบอกให้หาที่หนีกันแะล้วเพราะฉะนั้นเราทุกคนไม่ต้องกลัว๋ยวตรงไหนก็ตายทั้งนั้นแต่แล้วก็ อย่ากลัวตายจ้องกัวเกิดอย่ากลัวตายกลัวตายก็ต้องระวังอย่าให้เกิดไม่ได้เกิดจากท้องแม่โดเกิดความรู้สึกว่าตัวอูก็เกิดกลัวตายขึ้นมาครั้งนึ่ ก็คือตัวภูกระนิ่งนั้นพอเกิดกลัวตายมีความรู้ซึกว่ากลัวตายขึ้นหมดนี่คือคำว่ายาติปีทุกข์ขความเกิดเป็นทุกข์ยราปีทุกข์ขความแก่เป็นทุกข์มรณะปีทุกขขังความตายเป็นทุกข์ ความรัดรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเป็นทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นรูปูปาทานขันโท ขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมัน่นคือรูปข้าวไปยึดมัน่นถือมัน่นรูปชนิดใดชนิดหนึ่งรูปคือตัวเราก็ดีคนอื่นก็ดีทรัพย์สบมบัติก็ดีรูปปูนป่าฐานนักขันโทตั้นรูปขันขันในปัจจุบันแต่ร่างกายก็ขันในปัจจุบันขันในอดีตที่ผ่านมา ขันในอนาคตข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นเป็นทุกทางนั้นรูปปาทานักขันโทเวทนาปาทานักขันโทฉันยูปาทานักขันโทจังการูปาทานักขันโทวิญญาณูปาทานักขันโทต้องดูในธรรมวัดเช้า เป็นทุกเพราะข้าวไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั้นเมื่อมีความรู้สึกขึ้นว่าตัวกูทีหนึ่งก็ต้องภาวนาชนะบอกว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูภาวนาชนะเลยให้ชนะคำว่ากูคือไม่ใช่กู ไม่ใช่กูก็คือว่างจากตัวกูนั่นแล้วว่างจากตัวกูแล้วใครจะตายตามดูดีเมื่อว่างจากตัวกูแล้วใครจะตายรูปูปาทานักขันโทเวทนาปาทานักขันโทสัญญูปาทานักขันโทสังขารูปัฏฐานักขันโทวิญญาณูปาทานนักขันโทหมดความตายหมด เมื่อความรู้สึกว่าไม่ใช่กูความตายหมดความแก่หมดความเจ็บหมดความทุกข์หมดหมดไม่มีอะไรเหลือฉะนั้นถ้าเราภาวนาว่าไม่ใช่กูมันชาเกินไปไม่ใช่กูก็แปลว่าว่างจากตัวกูมาว่างจากตัวกูก็ภาวนาเอาใหม่ว่างตัวเดียวดีนี้ ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างตัวเดียวนี่คือชาติปีทุขขาชาติปีทุขขาความเกิดที่มันเป็นทุกข์ทีนี้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูยังไม่พอเกิดความรู้สึกขึ้นมาเมื่อตาเห็นรูป อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุป บ, บาทครึ่งท่อนเรียกว่านามรูปนามรูปนามรูป ก, ก็คือตัวที่อวิจาตัวที่หนึ่งจักการตัวที่สองวิญญาณตัวที่สามนามรูปตัวที่สเมื่อเกิดนามรูปข้าไปยึดถือในนามรูป รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์นี่จากนามรูปก็เป็นจรายานทศนาธรรรามาดูจรยนะรายาเนาจรรยานาคืออายตนาหกอายตนหหมายถึงอายตนาภายในโลกมันเกิดเมื่ออายตนาหกทำงาน ตาทำงานหูทำงานจมูกทำงานลิ้นทำงานกายทำงานใจทำงานอายตนาหกเมื่ออายตนาหกทำงานตาเห็นรูปเกิดจากปูวิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาแล้วเกิดนี่เกิดนะเกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาแล้วตาเห็นรูปเฉย ตาคนนั้นลืมตาอยู่แต่ว่าขาดความรู้สึกวิญญาณไม่มีไม่มีวิญญาณไม่ไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกอะไรเหมือนกับคนที่นอนหลับแล้วก็ลืมตาไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นือจะไม่มีวิญญาณทีนี้ตาเป็นรูป เกิดจากกูวิญญาณคือความรู้สึกทางตาก็เกิดความรู้สึกทางตาขึ้นมาสาอย่างนี้ทํางานร่วมกันเป็นทีมเวิร์กก็ทําให้เกิดปัจจาบการกระทบเลยทำให้เกิดการกระทบก็เกิดการกระทบขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือเวทนาเลยนาจากปัจจัยก็เป็นเวทนา เวทนานี้เราต้องรู้นะนี่คนในโลกทั้งโลกปีใหม่ขึ้นมาครั้งหนึ่งหรือไม่ปีใหม่แต่เกิดเวทนาขึ้นมาเมื่อตายรูปเกิดเวทนาขึ้นมาธาสุขเวทนาเข้าไปพอใจนั้นปีใหม่ทีหนึ่งเข้าไปพอใจทีหนึ่งนั่นพอใจกว้าง ใ้ถ้าพอใจแคบแค่ก็สนุกกันทีหนึ่งทำอะไรทีหนึ่งกินกันทีหนึ่งเที่ยวกันทีหนึ่งเพื่อที่จะสนองความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันเพื่อสนองความรู้สึกที่มันสนุกแต่จะแล้วเราไม่รู้จักเวทนาสัตว์โลกทั้งหมดเป็นธาต เวทนาเพราะเวทนาตัวนี้ก็คือทุกอย่างหนึ่งทุกอย่างหนึ่งเป็นความทุกข์ที่ละเอียดอ่อนเป็นความทุกข์ที่มันเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกตายแล้ ว, ต า, ล ว, ต, าลวตายอีกตายแล้วตายอีกในภาษาของปัจจิตจารมุปปาฏิ์เกิดสิ่งภายในดังนั้น เวทนาตัวนี้มันอมความทุกข์เอาไว้ภายในภายนอกมันก็เคลือบด้วยสีสวยเหมือนกับยาที่เราใส่ใ ห, หลอดยานั่นแหละใส่ในหลอดยาที่เป็นแคปซูลแคปซูล ถาใส่เป็นแคปซูเนี่ยนะมันจะมีสีเขียวมันจะมีสีเหลืองมันจะมีสีแดงแต่ข้างในน่ยนะมันเป็นยาขมเป็นยาขมนั่นเราหลงหลงเวทนาหลงสุกเวทนาความสวยความงามการกินการอยู่การดื่มการเล่นการสนุกสนานหลงหมดก้าไปหลงหมดก้าวไปหลงในเวทนาตัวนั้นทั้งโลก นอกจากว่าพระอระหันต์หรือพระอนาคามีพระจักกิทาคามีก็ยังหลงอยู่พระโสดาบันก็ยังหลงอยู่แต่ก็พยายามที่จะเข้าไปสู่ความไม่หลงนี่คือสุขเวทนาชุขเวทน า, ทนาตาเห็นรู้สึกชอบชอบใจ ชอบไม่ชอบนะมันอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจทางนั้นไม่จะอยู่ที่ตาแล้วตามันทำหน้าที่เสร็จแล้วมันเลิกแล้วจบแล้วของมันนี่ทุกเวทนาถูกต้องคือเมื่อเปิดตารูปจกักวิญญาณสามอย่างทางานร่วมกันทำให้เกิดปัจฉะเพราะปัจฉาเป็นปัจัยทำให้เกิดเวทนา เมื่อทําให้เกิดเวทนาขึ้นมาจุกตเวทนาชอบใจพอชอบใจก็ตัณหาต่อทีนี้เกิดตัณหาเกิดตัณหาเพราะชอบนี่เกิดตัณหาเกิดตัณหาก็กามมาตัณหาที่สัตว์โลกทั้งหมดไม่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอะไรทุกอย่างแม้แต่เทวดา ก็ยังหลงในกามยิ่งหนักเข้าไปอีกฉะนั้นการที่เราทําบุญแล้วก็ปรารถนาจะเป็นเทวดานะั้นยิ่งหนักเข้าไปอีกกามมาว่าจรมันคิดแต่เรื่องกามเรื่องกามเรื่องกามเรื่องกามเทวดามันอยู่กับกามมันอยู่กับกามนี่มันอยู่กับกา ม, ม, ก, ก, า ม, มก็หลงกามอยู่อย่างนั้นเทวดา ต้นไหนที่อยู่ในชั้นกามาวาจรแล้วก็มีดอกไม้ประจําตัวก่อนที่เทวดานั้นจะจุดที่มีดอกไม้เกิดขึ้นมาก่อนเขาเกิดดอกไม้ขึ้นมาดอกไม้นั้นก็กลายบานบานบานบานบานดอกไม้บานนี่พวก เพื่อนเพื่อนเทวดาที่เกิดอยู่ก่อนเนะี่ยพอเห็นเกิดดอกไม้ขึ้นมาดอกไม้บานกนดีใจว่าเราจะได้เพื่อนอีกคนหนึน่งได้เพื่อนเทวดาอีกคนห น, น, นึ่งในนี้พอต่อต่อมาเทวดาองค์ใดองค์หน่งกำลังที่จะตกจากสวรรค์แล้วดอกไม้นะั้นค่อยๆเหียย่ยวเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวพอดอกไม้เหี่ยว เทวดาก็จิตใจเหี่ยวแห้งเพราะตัวเองหมดบุญแล้วอดบุญแล้วจิตใจเหี่ยวแห้งนี่คือพวกเทวดาหรือพวกเทพพอหมดบุญก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นไม่ต้องปรารถนาไปเกิดเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นี่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องหลงเป็นมนุษย์นี่ไม่ต้องหล ง, น, น, ง, หลงนี่อย่าไปหลง เป็นเทวดาอย่าไปหลงเป็นเทพนะเป็นเทพก็ค่อยดีหน่อยหนึ่งดีหน่อยแต่ก็ต้องจุดดีอีกเหมือนกันถ้าเทพสมรรถเทพที่อยู่บนนี้เทพที่อยู่บนนี้เมื่อเทพนั้นนะยังมีบุญแล้วก็ยังอยู่ไปอะไรไปนะเทพนี่เขาก็มีจิตใจที่เป็นกุศล มากกว่าเทวดาแล้วก็มีพวกเทวดามีคนทันแล้วก็มีหัวหน้าเทพทหนี้พอเทพองค์หนึ่งจะไปจุดติหัวหน้าเทพก็ต้องบอกว่าเทพองค์นี้ไปจุดติไปจุดติที่ไหนถ้าหากว่ามีกรรมการกระทําที่ ไม่ดีของตัวเองยังเรียก ว, ว่ายังไม่หลุดกันยังไม่ได้ใช้กรรมก็ต้องไปเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไปเกิดเป็นเปรตเป็นเศรษฐีรชารเป็นอาสุรกายเป็นสัตว์นรกไม่ใช่ว่า น, า ร, กนารกใต้ดินคือมาเกิดเป็นคนนั่นแหละเกิดเป็นคนนั่นแหละ แต่จิตน่ยมีความโลภโลภโลภโลภโลภโลภมีความโลภปากเท่ารูเข็มท้องเท่าภูเขาเกิดมามีความโลภเกิดมาในตระโกลที่ร่ํารวยมหาศาลมีแต่ความโลภอย่างเดียวมีเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอไม่พอได้มาเท่าไหร่ไม่พอไม่พอร้อยล้านพันล้า น, ห ม, านหมื่นล้านไม่พอนั่น เกิดเป็นเปรตหมดแล้วบุญแห่งความดีที่ตัวเองทำมาหมดหม ด, หมดแล้วเกิดเป็นเปรตเกิดเป็นสัตวน์นรกนรกก็คือร้อนใจก่อนที่จะเกิดมาก็ร้อนใจมีความร้อนใจมีความร้อนใจอยู่ก่อนแล้วร้อนใจมันไม่สบายใจแล้วตอนนั้นทีนี้พอเกิดมาก้าวสู่ขัน การก้าวสู่กันนี้มีอยู่เรียก ว, ว่าธาตุาดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุาตทั้งหกลงสู่กันก็เป็นนามรูปอนี้ถ้าคนนั้นมีกรรมมากเมื่อก่อนเป็นเทวดาแต่ว่ามีกรรมมากเมื่อมีกรรมมาก ไปเกิดเป็นสัตว์นรกพ่อแม่ก็ทำให้นิมิตไม่ดีทําให้นิมิตไม่ดีทีนี้ยังไม่ได้นิมิตข้าวสู่ท้องแล้วพอข้าวสู่ท้องผู้ที่เป็นแม่ก็นิมิตหรือว่าไม่นิมิตไม่นิมิตเลยก็ได้ไม่นิมิตแต่ว่าแม่เกิดความรู้สึกขึ้นมาหิว หิวอยากจะกินเลือดอยากจะดื่มเลือดเช่นพระเจ้าอาชาิสัตรูลูกของพระเจ้าพิมพิสารพระมเฮสีก็หิวที่จะกินเลือดก็บอกพระเจ้าพิมพิสารว่าตอนนี้หิวเหลือเกินหิวเหลือเกิน อยากจะดื่มเลือดอยากจะสูบเลือดพระเจ้าพิมพิสารด้วยอำนาจความรักลูกพระเจ้าพิมพิสารจะกรีดแขนกรีดแขนแล้วก็ให้พระเมสีดูดเลือดของพระองค์นี่เห็นไหมฉะนั้นถ้าจัดนรกมาเกิดมันจะฆ่าพ่อ มันจะฆ่าแม่แล้มันก็จะทำให้กรัวเดือดร้อนเช่นไอ้พวกขี้ยาทั้งหลายเนะี่ยขี้ยาขี้ยาทั้งหลายคือก็สุราเมรยมัทชัปมาตั้งแต่ดืม่มจนฉีดจนเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเ า, าเอามากินนี่นี่นี่คือพวกสัตว์นรกมาเกิดฉะนั้นพ่อแม่ ก็ไม่ได้ทำบุญสุนทานไม่ได้ทำอะไรมันก็เลยไปกันใหญ่ไปกันใหญ่นั่นคือเปรตลงมาเกิดสัตว์นรกลงมาเกิดเปรตก็คือไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอเป็นคนร่ำรวยมีโรงงานอะไรตั อ, อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเงินทองนับกันไม่ไหวแล้วยังบอกเพื่อนว่าจนจน จนที่ตรงไหนจนที่ความรู้สึกว่ามันไม่พอถ้าความไม่พอเกิดขึ้นมานั่นคือจนจนเป็นเปรดความไม่พอความรู้สึกว่าไม่พอครั้งหนึ่งก็ไปเปรตครั้งหนึ่งความไม่พอครั้งหนึ่งก็เป็นเปรตครั้งหนึ่งนี่คือเปรดทีนี้คนที่ก็ร่ำรวยเงินได้มาเดือนเท่านั้นปีเท่านั้น ปิดงบประมาณแล้วเหลือเท่านั้นโอ้ยทำอันนั้นทําอันนี้ทำมนุษย์ทํ า, ท า, ท า, นนทาเพื่อใครเพื่อเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือช่วยเหลือสมมติว่านะเอไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่จริงก็ได้สมมติว่าโรงงานใหญ่ๆโตๆมีกิจกรรมมากทําเสร็จแล้วงบประมาณปิดงบประมาณเสร็จแล้วมีเงินเหลือ สาสบล้านเขาก็คิดว่า30สบล้านเนี่ยเราจะเอาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ยังไงจะช่วยเหลือศาสนายังไงช่วยเหลือผู้ที่กําลังศึกษาและเรียนอยู่พวกไม่มีทุนการศึกษาพวกผู้สูงอายุที่ลําบากช่วยพยายามที่จะช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยช่วยทั้งศาสนาช่วยทั้งคนช่วยทั้งสัตว์ นี่ช่วยเงินนั้นที่เหลือนะที่ปิดงบประมาณน่เหลือแต่คนที่จนนี่คือความรู้สึกที่มันยากจนคนที่จนความคิดทั้งทั้งที่ตัวเองมีเงินมาหาศาลแล้วเสร็จแล้วก็ถ้าเป็นผู้ที่ทำมาค้าขายก็ไปตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาอีกขยาย ขยายลูกขยายลูกออกไปอีกออกไปอีกออกไปอีกนี่นี่คือเปรตนั่นเนี่ยเปรดแต่นั้นมันไม่พอเปรดก็อยู่ในนั้นแล้วก็ร้อนใจด้วยมีเงินมีทองมากมายกายกองอะไรพอโทรศัพท์หน้าใหม่มากริ่งมาดูเบอร์ก่อนนี่เบอร์ใครอืรับไม่ได้ไม่เคยโทรมาคนนี้ ไม่เคยโทรมาไม่รับหรอกก็ไม่รับหรอกคนรวยมาอาสานี่ก็จะไม่รับหรอกโทรศพัพท์ซุมสี่ซุมห้าเขาคิดว่าจะโทรมาไถาเงินเขาอยางนั้นมันเรียกว่ามันมีแต่ความระแวงสงสัยทั้งนั้นเลยสงสัยเห็นไหมมันทั้งร้อนใจมันทั้งเป็นเปรดแต่ก็ทั้งร้อนใจ ร้อนใจเพราะเงินเท่เพราะเงินอย่างเดียวเพราะความโลภมันไม่พอไม่มีความพอมันก็เลยเดี๋ยวก็เป็นเปรตมั่งในร่างกายนี้ตอนไหนที่มันอยากไม่รู้จับพอไม่รู้จักพ อ, ไ ม, ก อ, ไ, มกอไม่รู้จักอิม่มไม่รู้จักเผื่อแผลแก่เพื่อนมนุษย์เป็นเปรตในกาณาหน่อย ร้อนใจร้อนใจร้อนใจโู้ยน้านท่วมตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ ว, ลวท่วมหมดแล้วเครื่องจกเครื่องจักอะไรอะไรตายแล้วทีนี้เสียหายหมดแล้วนอนไม่หลับเลยต้องกินยานอนหลับกันเป็นกรรมแล้วทีนี้เสร็จแล้วก็บรรเดิ้ลทำอะไรก็บรรเดิ้นั่งกินก็บรรเดิ้เดินก็บรรเบลอตําเรียกว่าเบรอมีแต่เบร์ อ, บร อ, อย่างเดียว ทีนี้ถ้าเขามาปฏิบัติธรรมะอย่างนี้อย่างกับพวกเรานี่เขาคิดดูเอยตอนที่กูเกิดมานี่จากท้องแม่กูเอาอะไรมาด้วยไม่เห็นเอาอะไรมาเลยเสื้อผ้ารักชิ้นก็ไม่มีไม่มีอะไรทางนั้นอ้าวนั่นเวลาเกิดแล้วเวลาตายเวลาตายกูได้อะไรไปบ้างกูก็กกอะไรไปไม่ได้ ไอ้ที่ดินก็เป็นทรัพยากรของธรรมชาติไอ้ทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติไอ้ที่เป็นอะไรที่เป็นเบ้งที่เป็นเบงก็เศษกระดาษแท้ๆเลยเศษกระดาษแ ท, ทๆ้ๆเราไปยึดมัน่นถือมัน่นมันอ้าไอ้ที่เป็นทองเหรมันเป็นต้องก็เศษเหล็กไปยึดมัน่นถือมัน่นมันทำไมอไอ้ที่มันเป็นเพชรนินจินดา ไอ้ <Hey. S 2> นะั่นมันลูกหินลูกหินที่มันอยู่ในภูเขาเสร็จแล้วมันก็ซับแสงสว่างที่มาจากดวงอาทิตย์ได้เสร็จแล้วมันก็ทําให้มีแสงมันอมแสงเอว่ามันมีแต่ลูกหินมันมีแต่เศษกระดาษมันมีแต่เหล็ก ม, มีแต่เหล็กไปทําไมนี่เรียกว่าปล่อยวางเห็นความจริง คนที่เห็นความจริงก็คือคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าไม่เห็นความจริงก็ยังยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมก็ดูว่าไอ้กูนี่มันมาจากไหนเนี่ยกูมาจากไหนไอน้ความยึดมั่นว่าตัวกูตัวกูตัวกูรูปูปาฏานนักกันโทนั่นตัวกูตัวกูตัวกูตัวกูแล้ ว, ว, วมันทาตดินคืออะไรกินเข้าไปทุกวัน เพื่อที่ไปเสริมตัวกูธาตุน้ําคืออะไรธาตุไฟคืออะไรธาตุลมคืออะไรอากาศธาตุคืออะไรวิญญาณธาตุธาตรู้คืออะไรมันของธรรมชาติทั้งนั้นเลยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุลงมาสู่ขันพอลงมาสู่ขันพกทําให้เกิดนามารูปทําให้เกิดนามารูปขึ้นมา ทนี้เพราะอำนาจที่ตัวเองตาบอดนั่นคืออวิชชาเพราะตัวเองตาบอดไม่ใช่ตามองไม่เห็นอะไรหรอกเห็นทางนั้นแหละแต่ว่าบอดบอดลืมตาเรียนปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกได้ด็อกเตอร์ได้อะไรต่ออะไรเป็นศาสตราจารย์นั่นเรียนเงนไป แต่เจ็ดแล้วโง่เพราะอะไรดับทุกไม่ได้เรียนกันไปเถอะแต่ก็ดับทุกไม่ได้ทีนี้ถ้ามันดับทุกได้เช่นสมมติเขาปฏิบัติธรรมะด้วยทำงานไปด้วยอะไรไปด้วยก็รู้ก็ขอขอรู้ว่าเออนี่ไอ้ที่รู้มานี่ ร้ยสาระเอามาขจัดความเกิดความรู้สึกว่าตัวกูไม่ได้เอามาแก้ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้รู้ในเรื่องอาชีพอย่างเดียวอาชีพมันเพื่ออะไรเพื่อได้เงินมาได้เงินมาเอาทําอะไรเอามาเลี้ยงกิเลสตัณหาเอามาเลี้ยงตัวกูนี่เอามาเลี้ยงตัวกูหมด แล้วก็เป็นยังไงทีนี้นั่นเก็เรียกว่าโง่เป็นสตราจาร์แล้วก็ยังโง่อยังโง่นี่โง่ถึงขนาดนั้นเพราะมันดับทุกข์ไม่ได้จึงชื่อว่าอวิชาอาวิชา อ, า ว, ชาอาวิชาอาวิชาคือโง่ตาบอดให้เด็กตูเด็กทารกจูแห่เสรแล้วเด็กทารกก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนในตัวเองก็เดิน ถือปลายไม้เท้าและเด็กก็ถือโคนไม้เท้าแล้วกระตุงกันไปไอ้นั้นก็ไม่รู้นั่นคือตาบอดตาบอดฉะนั้นเราอยากที่จะเป็นคนตาดีก็ตาบอดก็หมายถึงว่าจิตบอดจิตมันบอดบอดมันมีแต่ความโลภมันมีแต่ความโลภเกิดความเร่าขึ้นวาในจิตในขณะนั้นเป็นเปรต ร้อนใจขึ้นมาในขาดไหนขณะนั้นตกนรกกลัวขึ้นมาในขณะไหนในขณะนั้นเป็นอจุรกายเพราะมันกลัวกลัวกลัวกลัวหมดคนรวยนี่กลัวหมดกลัวหมดคนรวยนี่กลัวกลัวเรื่องเงินทองจะเสียไปกลัวนั่นกลัวนี่กลัวโจรกลัวผู้ได้กลัว ถูกจับตัวไปเรียกฆ่าตายตดวกรัวหมดอาชุ ร, รกายในตอนนั้นเป็นอาชุ ร, รกายเองถ้าในขณะหน่อยโง่โง่โงจนบอกไม่ถูกว่าโง่ยางไง อ, อ, อย่าไปเลยวัดว่าปฏิบัติธรรมะไม่ปฏิบัติทาไมไม่เห็นได้อะไรกินก็ไม่ได้ธรรมะมันโง่ มันไม่รู้ว่าธรรมะนั่นแหละเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราเข้าใจแล้วเรารู้แล้วเราก็เอามาดับทุกข์ได้ในขณะหน่อยที่มันโง่ขณะนั้นก็เป็นพวกสี่ขาคือเดรัจฉานเป็นสัตรยรจฉานเพราะฉะนั้นประเสรตก็ดีอัจุรกายก็ดี ส, สัตดรจฉานก็ดี นรกก็ดีไม่ได้อยู่ห่างจากตัวเราเลยอยู่ที่จิตตัวนี้แหละอยู่ที่จิตตัวนี้แหละไม่ใช่นรกอยู่ใต้ดินจักวรรอยู่โน่นบนฟ้านั่นก็สมมติเขาสมมติเขาสมมติแล้วเอามาเขียนา้าที่วาผนังโบสถให้เราได้ศึกษาแต่ที่จริงๆแล้ว สวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่หลวงพ่อพูดว่าเมื่อตาทาหน้าที่ตาตาทาหน้าที่ดูรูปเห็นรูปตารูปจากูวิญญาณสามอย่างทำงานร่วมกันถ้าไม่เกิดการกระทบชืีอว่าปัจจัยนี่พูดพูดเรื่องสัญญานะ จะยรยตนะคืออายตนาหกทีนี้เมื่อตายเห็นรูปเกิดจากขูวิญญาณทำให้เกิดผัสสัการกระทบพอกระทบเสร็จแล้วทำให้เกิดเวทนาเวทนาสามนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เกิดพร้อมกันทีเดียวสามเวทนาพอเห็นเกิดตรุขเวทนาเห็นนั่นแหละเกิดจุขเวทนาขึ้นมาก็ได้ เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาคือไม่ชอบก็ได้เกิดอทุกขมาตุกเวทนาเกิดโง่ขึ้นมาก็ได้ง่ายง่ายง่ายๆชายหนุม่มเห็นผู้หญิงสาวผู้หญิงสาวเห็นชายหนุม่มเกิดชอบใจขึ้นมาอยากจะดึงเข้ามาหาตัวอู้คนนี้สวยสวยสวยเรียกว่าผู้หญิงเห็นผู้ชายหล่อ โอคนนี้รอหลอหอ อ, อยากจะดึงเข้ามาหาตัวนี่เรียกว่าสุขเวทนาเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วทีนี้ศึกษาเวทนาสุขเวทนาเกิดดับเกิดดับมันมีจะเกิดดับเกิดดับไม่ใช่มันคิดอยู่ตลอดเวลาพอมันคิดอว่าโอย่ายังไงพอได้ยินเก่าวว่า นักแสดงคนนั้นมาปรากฏตัวต้องไปต้องไปไม่ไปไม่ได้ต้องไปดูก็คือไปฉลองเวทนาตัวนั้นแหละแล้วก็ชอบใจชอบใจชอบใจอะไรก็ดีหมดดีหมดผู้หญิงกับผู้ชายที่จะแต่งงานกันดูใจกันสองปีสามปี บางคนก็ไม่ถึงดูใจกันดูไอ้นั้นก็สวยไอ้นี่ก็สวยอันโน้นก็สวยสวยหมดดูหน้าก็สวยดูภาพรวมจมูกก็สวยมีอะไรในจมูกมีแต่ขี้จมูกมีแต่ขี้มู้ตาก็สวยมีแต่ขี้ตาลองตื่นขึ้นมาไม่ล้างหน้าดิมีแต่ขี้ตา ทีนี้อา้าวปากก็สวยอา้าวน้าลายบูดก็ไหลออกมาจกกระปลกแต่ไม่ปลงควันปากก็เหม็นอะไรมันสวยทีนี้ทีนี้เนี่ยเราต้องเห็นทีนี้ถ้าเราเห็นภาพรวมสุขกเวทนาเกิดหมดก็ไปหลอกข้าวหลอกตัวเองด้วยหลอกคนอื่นด้วยตาปากให้มันแดงๆดงตาแก้มให้เหมือนกับตูดลิง มันจะได้แดงลิงเสนน่ะลิงเสนน่ะตูดมันแดงตูดมันแดงาแก้ให้มันแดงแดงตาคิ้วให้มันดำดำตาเปลือกตาใสา่ขนตาพรมเยอะแย ะ, ยะเต็มไปหมดหลอกตัวเองแต่เสร็จแล้วเป็นยังไงเพื่อทาให้เกิดให้ตัวเองดูในกระจกแล้วก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมา ทีนี้ถ้าคนนั้นเขาปฏิบัติธรรมเขาฉลาดขึ้นอโอ้อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกเวทนาทุกเวทนาเกิดทุกเวทนาดับทุกเวทนาเขาไม่มีตัวต น, กวน เ, เกิดดั บ, ว, ดดบว่างจากตัวตนทุกเวทนาก็เกิดดับว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนนี่เราจะดูอย่างไงทีนี้เกิดทุกเวทนาขึ้นมาให้มันเกิดทุกเวทนาขึ้น ไอ้ตอนที่เศรษฐีคนหนึ่งต้องการที่จะหาภรรยาที่สวยสุดๆที่สุดเพราะตัวเองก็เป็นลูกของเศรษฐีก็ต้องเอาคนที่เป็นเศรษฐีด้วยกันนั่นแหละทํำยังไงทีนี้ให้ปัน้นรูปขึ้นมารูปหนึ่งให้สวยที่สุดปั้นผู้หญิงคนคนหนึ่งสวยที่สุด สวยที่สุดปั้นขึ้นมาแล้วก็นั่งมองมองมองมององก็เลยบอกบริวานะแหละว่าให้ไปหาผู้หญิงที่สวยอย่างนี้มาให้ฉันเพื่อที่จะเอามาทำเป็นภรรยาทีนี้เป็นยังก็ก็ต้องเอาไปที่ต้องเอารูปนั้นไปด้วยเอาหุ่นนั้นไปด้วยเอาหุ่นนั้นไปคน้ไปวันหนึ่ง นางวิสาขาเป็นคนสวยที่สุดนางวิสาขาเพราะเป็นลูกของเศรษฐีด้วยทีนี้พวกบริวารก็เอาหุ่นนี้แหละเอาหุ่นนี้ไปวางไว้ตรงนั้นเพื่อจะเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกันไหมเหมือนกันออเห็นแล้วก็เหมือนเห็นเห็นเหมือนก็มาบอกเจ้านายบอกเจ้านายว่านี่เจ้านาย เจอแล้วคนที airborne, fish, me, I I went, ่เหมือนกันกับหุ่นตัวนี้ก็ไปไปไปดูไปดูไปดูไปดูก็เห็นเห็นสวยตรงนั้นก่อรวยตรงนี้ก่อรวยอตรงโน้นก่อรวยรวยไปหมดรวยไปหมดทีนี้ไอ้หุ่นนั้นมันเหมือนจริงๆบางทีคนรับใช้เจ้านางคนรับใช้ของนางสาขาเนี่ย พ็เห็ น, ก, นก็เลยไปกอดเอา้าพอคิดว่าน้าวิสาขาแต่เสร็จแล้วมันไม่ใช่มันเป็นหูนเป็นหูนที่นี่พอ น, น้าวิสาขามาจริงๆมาที่ท่าน้ำพราะคนเมื่อก่อนก็ไม่มีห้องน้ำหรอกคนอินเดียมีห้องน้ำที่ไหนทมห้องน้ำให้แล้วก็ไม่รู้จักใช้มันเป็นอย่างนั้ น, นก็ไปที่ท่าน้ำ ไปอาบน้ําพอไปอาบน้ําก็บริวารของลูกของเศรษฐีที่เป็นชายหนุ่มก็ไปไปดูก็ไปดูเออตรงนั้นก็สวยตรงนี้ก็สวยตรงโน้นก็สวยสวยไปหมดนี่ฟันเป็นยังไงก็ อ, อยากจะดูฟันว่ากระดูกสวยไหมเราจะดูกระดูกนะมันไม่ยากหรอกดูกฟันฟันมันคือกระดูกทีนี้ ก็เลยไปพูดยาวหยวนให้นางยิ้มพอนางยิม้มก็เห็นฝันก็เห็นฝันวออสวยจริงกนนี้สวยจริงก็เลยนั่นไปขอเอามาเป็นภรรยาอีนี่ถ้าหากว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมะความสวยนะันมันสวยได้กี่วันได้กี่เดือน ได้กี่ปีสวยอยู่ได้กี่ปีมันจะลออยู่ได้กี่ปีพวกดาราผู้หญิงผู้ชายลออยู่ได้กี่ปีอายุสามสิบก็หมดท่าแล้วอา้าวรอยมากไปกว่านั้นสมมติว่ามาเป็นสามีภรรยากันแล้วทอนี้ภรรยาเมื่อก่อนเขาจะตื่นก่อนสามีเสมอตื่นก่อนเสมอ เขาจะไม่ตื่นหลังสามีทำไม่เพราะพอสามีตื่นก่อนเห็นนอนผิดผ้าผิดพรนน้ำลายบูดไหลผมยาวเหมือนกับผีพรายอย่างนั้นนี่ยดูแลเหมือนกับคนตายเขาก็เลยรีบตื่นก่อนสามีเสร็จแล้วไปล้างหน้าล้างตาไปวีผมอันดับหนึ่งวีผม ใส่เสื้อใส่ป้าให้สะอาดเรียบร้อยสวยงามนี่ก็จะตื่นก่อนสามีถ้าตื่นหลังสามีงั้นยังไง เ, เ, เหมือนคนตายเลยสามีเห็นก็เหมือนคนตายเลยที่เชียงใหม่คนหนึ่งบอกเมียของฉันเมื่อก่อนตอนที่สาวๆมันรวยพอมีลูกขึ้นมาสองคนแล้วตอนนี้อายุก็เพิ่มขึ้นเข้าวกลางคนคอนค น, คนข้าไป เ, ออเธอนี่ภาพมายาแท้ๆเลยจะพูดอย่างนั้นนะ่ยแกก็เป็นผู้ใหญ่เธ อ, อนี่มันเป็นภาพมายาภาพหลอนชัดๆเลยตอนนี้ดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยนี่เห็นไหมจากนั้นแล้วเราจะอยู่กันยังไงพอแก่แล้วจะอยู่กันยังไงอยู่กันเป็นเพื่อนกันพอแก่แล้วก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนอะไร เพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายมีอะไรก็ปรึกษากันแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกันอะไรกันนี่อยู่กันได้ด้วยการเป็นเพื่อนคือปฏิบัติธรรมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอะไรกันอยู่กันเป็นเพื่อนไม่ใช่อยู่เพื่อที่จะเพื่อกามแล้วอย่างนั้นไม่แล้วเลิกแล้วพอแล้ ว, ลวก็กอนอนเตียงเดียวกันานานเลิก ลากเสือไปคนละผืนคนนี้ก็ไปนอนมุมบ้านตรงโน้นคนโน้นก็ไปนอนห้องนั้นไปคนละที่คนละทางกันแหละแต่ว่ามันเลิกกันไม่ได้เลิกกันไม่ได้นี่ทีนี้ทุกขเวทนามันเกิดทุกขเวทนามันเกิดเมื่อเราเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามไปดูดาราดาราที่มันสวยลอกหนังมันออก อลกหนังมันออกแล้วเห็นเนื้อเห็นเลือดเห็นเส้นเอ็นเห็นกระดูกสวยตรงไหนมันสวยที่ตรงไหนถ้าท่านอยากจะดูของสวยอย่างนั้นไปที่โรงพยาบาลตำรวจก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้ไปดูที่เขากำลังเชือนกันอยู่ยเชือนกันอยู่โดยยิ่งปีใหม่นี้ก็รถทับมั่งอะไรมั่งมันมีแปลก ไปดูอผู้หญิงนี่ก่อนบางทีเตียงไม่พอกันเตียงไม่พอก็ให้นอนเรียงกันที่พื้นโอ้ยพอตายแล้วเป็นยังไงสาวก็ดูไม่ได้แก่ก็ดูไม่ได้หนุ่มก็ดูไม่ได้ดูไม่ได้ทางนั้นเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าทุกขเวทนาเกิดทุกขเวทนาเอาทุกขเวทนานั้นมาเปรียบเทียบหรือว่าให้มันเร็วกว่านั้น เราปฏิบัติทำไห้มันเข้มแข็งให้มันเข้มแข็งพอเห็นว่าตรงไหนมันสวยเอามีดเฉือนออกมาตามันสวยควักลูตาออกมาปากมันสวยเฉือนลิมฝีปากออกมาแก้มสวยเฉือนแก้มออกมานี่เดี๋ยวกดข้างหน่อยมันมีอะไรต้องดูทีพอเนื้อแก้มออกมาก็เห็นฟันเห็นกระดูกฟันเห็นลิ้น เห็นอะไรสกปรกหมดมันสวยที่ตรงไหนมันสวยที่ตรงไหนนี่ทุกเวทนาเกิดแล้วพอเกิดทุกเวทนาเกิดมันก็เห็นอ อ, อนิจจังอนัตตาอานิจจังอนัตตานี่สุกเวทนาเกิดดับนี่พูดถึงเรื่องปัจจานะพอปัจจานแล้วเริ่มที่จะเกิดเวทนาพอเกิดเวทนาสุกขเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตรง ทกเวทนาเกิดดับว่างจากตัวตนนี่เกิดทุกขเกิดไม่พอใจผลักออกที่ไม่พอใจคือผลักแรงปลัดทีนี้เกิดอทุกขมาทุกขเวทนาอาทุกขทุกขเวทนาสวยก็ไม่ใช่ไม่สวยก็ไม่ใช่แต่เสร็จแล้วก็มันยังอึมครึมอยู่อทุกขมาทุกขเวทนาแต่ว่าทุกขก็ไม่ใช่แต่ว่าทุกขก็ไม่ใช่อึมครึมอึมครึม อันนี้เราต้องรู้ว่าเวทนาทั้งสามอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกันในฐานะที่มันเป็นเกิดดับว่างจากตัวตนเกิดดับว่างจากตัวตนเนี่ยมันจะเกิดดับว่างจากตัวตนอีนนี้ไปสังเกตดูถ้าคนไหนที่เราชอบมันหลับตาแล้วมันก็ยังเกิดเกิดดับอยู่ในใจ เ, เกิดดับเกิดดับมันไม่ว่าง มันไม่ว่างเกิดทีหนึ่งแล้วก็ดับไปแล้วค้างคลางฟ้าเรียกว่าค้างฟ้ า, เ, า, ฟาเอา้าแล้วก็เกิดดีกแล้วก็มาเกิดกดีกเกิดอีกก็ดับอีกเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นมันไม่ว่างสักทีเนี่ยไม่ว่างเพราะอะไรเพราะไม่เห็นอนิจจังอนิจจังคือไม่เทีย่ยงไหลเรื่อยไม่เห็นทุกขัง ทุกขังคือข้าวไปยึดมัน่นตือมั่นมันไม่ได้ไม่เห็นอนัตตาเห็นแต่อัตตาเห็นแต่อัตตาเห็นว่ามันมีตัวตนเห็นว่ามีตัวตนเห็นเป็นสุก ข, ขังสุก ข, ขังอนิจจังก็ไม่เห็นเห็นเป็นนิจจังที่พระท่านพูดบ่อยๆว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันตรงกันข้ามกัแบบที่เราไม่ได้ปฏิบัติ เมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็เห็นแต่นิจจังทุกอย่างเป็นของเที่ยงหมดทุกอย่างเป็นของเที่ยงหมดอยู่อย่างนั้นไม่มีความเปลี่ยนแปลงนิจจังอย่างนี้เรียกว่าน ah. ิจจังอ๋อเห็นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อไปติดอกติดใจดาราขึ้นมาอ๋อเห็นหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นเห็นมันสวยเห็นมันหล่ออยู่อย่างนั้น ลอยอยู่อย่างนิดจังอย่างนี้เรียกว่านิดจังทีนี้เมื่อเห็นนิดจังมก็เห็นว่าจุกขังนั่งยิ้มอยู่คนเดียวนอนยิ้มอยู่คนเดียวเอารูปถ่ายมาดูกว่ายิ้มอยู่คนเดียวนี่แรีว่าจุกขังจุกขังทีนี้ข้าไปยึดมันถือมันมันจุกขังที่ไหนเอา้าดูดาราผู้หญิงดูดาราผู้ชาย ตอนอายุสิบเจ็ดสิบแป้ายี่สิบยี่ห้าเลยก็ไปไม่เคยรอดแล้วอีนนี้ก็ดูที่ดูเอาดาราคนนี้มันถึงกว้างไว้สม้งหมดว่าเอาุดาราคนนี้อแต่งตัวสวยงามที่สรุปแ้วก็มาตั้งไว้ตรงนี้ยืนตรงนี้แล้วก็เอาตอนที่เขาเล็กๆเป็นยังไงเป็นเรียกว่าตอนที่เล็กๆตั้งแต่ก็คลอดออกมาจนเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, นเอา จนเป็นหนุ่มเป็นสาวพอเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปค่อยๆแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแก่ลงแล้วยังไงทีนเนี่ยธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเอาทีนี้เราไม่เอาอย่างนั้นเราเอาว่านี่เสร็จแล้วก็เอาพี่ชายก็มาพี่สาวมาแล้วก็เอาแม่ก็ามาเอาพ่อก็มา เอายายเข้ามาเอาทูวดเข้ามาเอามาเปรียบเทียบกับคนนี้มันเป็นยังไงมันสวยัหมมันสวยที่ไหนแต่อไปมันจะสวยอย่างนี้ไหมเป็นไปไม่ได้มันจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนี่คืออนิจจังเรียกว่าอนิจจังมันไหลไหลไหลไหลไหลไหลไปเรื่อยนี่คืออนิจจังทีนี้อนิจจังเรียก็ทุกขังทีนี้ไม่ใช่สุขังแล้ว เกิดทุกขังแล้วทุกขังมันน่าเกลียดดูแล้วมันน่าเกลียดทุกขังเลแปลว่าน่าเกลียดเช่นว่าเราไปเห็นดาราอีกแล้วไหนๆก็พูดเรื่องดาราแล้ววันนี้พูดดาราที่ให้พ อ, อดาราคนหนึ่งโดนรถทับตายโดนรถทับตายเละเทะหมดโอ้พอไปเห็นอู โอ้เลยพอเห็นโอ้โหโอ้โหทีนี้ตอนที่รถไม่ทับตายตอนที่เ็ายังเดินได้ที่เขายังยิ้มอยู่ที่เ็ากำลังแสดงอยู่เราก็ชอบตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงนี่นี่กทุกขังทุกขังแล้วเห็นทุกขังแล้วน่าเกลียดแล้วทีนี้มันเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาถ้าเป็นอัตตา มีตัวตนมันต้องไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนนี่เราก็เอาภาพนั้นเอาภาพนั้นเอามาทับกันที่ตัวเองตัวเรานี่เป็นอะไรนี่ปีใหม่ทีหนึ่งคิดบัญชีกันแสักทีคิดบัญชีว่าตัวเราตอนเด็กๆ เ, เป็นยังไงโตขึ้นมาเป็นยังไงเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นยังไง คนกลางคนเป็นยังไงแก่เป็นยังไงเจ็บเป็นยังไงตายเป็นยังไงตายแล้วเป็นยังไงอบภาพอบอภาพคนตายที่เราไปเห็นนั่นแหละออกมาท่ากับที่จิตของตัวเองเราก็จะเห็นว่าอานิจจังมันเป็นอย่างนี้เองไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเลื่อยอนิจจังทุกขังโอขาไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไหนเราก็ยึดมั่นถือมั่น เพราะมันไม่มีปัญญานี่พอดูกระจกทีนี่ก็ยิ้มให้กระจกทีหนึ่งตรงไหนไม่สวยตรงไหนไม่งามนี่ก็แต่งมันแต่งมันแต่งมันเป็นเป็นจุกขังจุกขังแต่เสร็จแล้วมันก็เป็นทุกขังนั่นแหละนั่นของจริงของจริงก็เป็นอนิจจังการปฏิบัตินี่ต้องเห็นอนิจจังก่อนเข้าใจว่าปฏิบัติไปเห็นปณิพนัพนเลยเป็นไปไม่ได้ แต่ไปขึ้นต้นไม้ทางปลายนี่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยบางคนก็หัวสมัยใหม่หน่อยก็คิดว่าทำไมขึ้นไม่ได้ล่ะก็ขึ้นเครื่องบินเลยแอร์คอปเตอร์เสร็จแล้วก็ไปที่ยอดของต้นไม้แล้วแอลิคอปเตอร์มันไม่ขึ้นจากดินเลยมันขึ้นจากดินทางนั้นดังนั้นเราต้องปรับขึ้นไปจากพื้นจากพื้นเราจะมานั่งบนยอดเขาที่ตรงนี้ถ้าเราไม่ขึ้นบันไดขั้นแรก เราจะขึ้นมาได้ยังไงอานิจจังนี่เป็นบันไดขั้นแรกที่เราจะต้องเดินจะต้องเหยียบเราจะต้องย่างเราอย่าไปดูตัวของเล็กน้อยอานิจจังพูดกันกระเดือกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองค่อนงอ้อเลยมันพูดแต่พูดแล้วมันก็ไม่รู้จักว่าอานิจจังคืออะไรเพราะว่าในใจของมันเป็นนิจจังหมดเห็นแต่ว่าเทียเท่ยงเทียเท่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยง แต่ว่าฐาวอนมันคงคงที่อยู่อย่างนั้นนี่มันพูดกันได้อนิจจังทุกขังอนัตตาพูดง่ายพูดง่ายที่สุดแต่เสร็จแล้วเห็นยากพูดง่ายเห็นยากใครเป็นคนเห็นก็ต้องปัญญาดีถ้าไม่เกิดปัญญาขึ้นมามันก็จะไม่เห็นหรอกมันต้องเกิดปัญญามันจึงจะเห็นจึงจะเห็นได้อนิจจังนี่แหละต้องเห็นอนิจจังจาก นิจจังเป็นอนิจจังจากทุกขังก็เป็นทุกขังจากอัตตาก็เป็นอนัตตาอนัตตานี่ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตนอนัตตานี่ไม่ใช่ตนเห็นนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาต่อมาเห็นสุญญตาสุญญตาคือว่างจากตัวตนทุกอย่างว่างจากตัวตนไปจบลงที่ ทุกอย่างว่างจากดวงตนทีนี้โมกราชโมกราชเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ใหญ่อยู่ทางทิศใต้ของประเทศอินเดียแล้วก็ในสำนักใหญ่สำนักนั้นก็มีลูกศิษย์เยอะได้ยินข่าวว่าทางภาคเหนือของประเทศอินเดียเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาทีนี้อาจารย์ใหญ่ก็คิดว่า มันจะจริงหรือไม่จริงจะจริงหรือไม่จริงทีนี้ลูกศิษย์ก็คุยกันในเรื่องพระพุทธเจ้าได้ยินข่าวเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอยากจะไปหาพระพุทธเจ้าอยากจะไปคว้าพระพุทธเจ้าก็ชวนอาจารย์ใหญ่ไปด้วยอาจารย์ใหญ่ว่ายังไงท่านก็บอกว่าเธ อ, อ, อไปเธอเราไม่ไปหรอกทีนี้ก็ท่านก็ถามว่า โคตัวหนึ่งขนกับเขาอันไหนมากกว่าลูกศิษย์ก็ตอบว่าขนมากกว่าเพราะเขามันมีเพียงจองเขาเท่านั้นเองเช่นเดียวกันคนในโลกนี้คนโง่ามากกว่าคนฉลาดคนฉลาดมีน้อยเหมือนกับเขาโคเพราะฉะนั้นเราจะอยู่กับคนโง่เนี่ยอาจารย์ว่า เราจะอยู่กับคนโง่อยู่กับคนโง่เพราะว่าบอกว่าเออเอามาที่มาที่มาทาบุญมาทาบุญเอาคนนี้ทำสามล้านเชิญเชินโยมคนโยมมานั่งข้างหน้าโยมทำสามล้านคนโน้นทำยี่สิบบาทหลังจุดหลังจุดอยู่โนอยหลังจุดไม่เอานี่แหละอาจารย์โง่โงก็เลยอยู่กับขนโคอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันหากิน ง, ง่าย กับคนโง่นั่นทีนี้คนฉลาดเขาไม่เอาคนฉลาดเขาไม่เอาทีนี้เป็นยังไงเขาเลยบอกลูกศิษย์ว่านี่เธอไปก็ไปเราไม่ว่าก็เลยแต่งเป็นคํากรอนเป็นคํากรอนเป็นสุภาษิตขึ้นมาแล้วก็ไปถามแต่งคําถามให้คําถามไปคนละ สองบรรทัดสามบรรทัดให้คําถามไปสิหกคนเขาเรียกว่ามานพสิบหกมานพสิบหกคนปีนี้ในสิบกคนนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่ว่าโมกคราชโมกคราชเป็นคนที่ถามแล้วถามอีกพระพุทธเจ้าบอกของเือ ง, งดไว้ก่อนงดไว้ก่อนเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสําคัญปัญหาเรื่องอะไรที่ว่าสําคัญคืออ่า ท่านถามว่าทำยังไงคนไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายแต่ที่สำคัญเขาว่าทำยังไงคนอย่าให้มันตายทายังไงอย่าให้มันตายก็ข้าไปครั้งที่หนึ่งพระพุทธเจ้าก็จะด้วาของเธอเราไว้ก่อนครั้งที่สองเราไว้ก่อน พอเสจแล้วก็ไปตามครั้งที่สามครั้งที่สามโอ้ครั้งที่สามก็ท่านก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยแก้ปัญหานี้บอกว่าปัญหาของเธอนีเป็นปัญหาที่สําคัญมากทีนี้พระพุทธเจ้าเลยตรัสว่าสุญโตโรกังอเวกัดสุมุคราชะสตาสโตอัตานุทิถึงอุหัจาเจวังมัจจุตรโรสิยา เอวังโลกังเอเวกขันตังมัจโุราชาณปัตตินี่ภาษาต่างประเทศท่านฟังไม่ออกหรอกแต่ไม่เรียนบาลีนะเอนี่ภาษาไทยก็ดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิ อัตตาก็คือตัวกูนี่ตัวกูดิที่หลวงพ่อบอกว่าให้ภาวนาว่าไม่ใช่กูไม่ใช่กูนั่นแหละถอนอัตตานุทิธีทิธีนเนี่แปลว่าความเห็นไม่ใช่มีมิจฉาทิธีทิธิถ้าใส่มิจฉาเข้าไปข้างหน้าก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าใส่สัมมาเข้าไปก็เรียกว่าเห็นถูกเห็นถูกนี่คำว่าทิธีเนี่ยมันยังกลางๆอยู่ดูก่อนโมกขาช ท่านจงมีสติจงมีสติเห็นไหมถ้าไม่มีสติแล้วมันจะเห็นได้อย่างไรอันนั้นในอริยมรรคใองปก็จะมีสติจามมาสติ4ีข้อมีสติเห็นกายในกายมีสติเห็นเวทนาในเวทนามีสติเห็นจิตในจิตมีสติเห็นธรรมในธรรมว่าสติที่เห็นทั้งหมดทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งจาทั้งธรรม เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนอนิจจังคือไม่เที่ยงทุกขังข้าไปยึดมัน่นคือมั่นไม่ได้อนัตตาไม่ใช่ตัวตนเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมว่างจากตัวตนหมดท่านจงมีสติมองโลกโดยความเป็นของว่างถอนอัตตานุทิฏฐิ ความเห็นว่าตัวตนนั้นออกไปเสียเมื่อท่านเห็นอยู่อย่างนี้ความตายคือมัจยุราชจะมองไม่เห็นท่านก็คือมันไม่มีบุคคลผู้นั้นแล้วแล้วมันจะเห็นยังไงอ่ะมันไม่ใจกูแล้วนี่มันไม่ใจกูแล้วเราถอนเพราะฉะนั้นการภาวนาว่าไม่ใจกูครั้งหนึ่งสงครั้งามครั้งร้อครั้งพันครั้งมื่นครั้ง ถอนไอ้คำว่ากูนั่นแหละออกไว์ออกไว์ออกไว์ออกไว์ออกไว้ออไวนั่นถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าตัวกูนั่นออกไปเสียพอถอนความเห็นว่าตัวกูออกไปเสียมันเป็นธาตุดินมันเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุต่างๆมันกลับไปสู่ที่เดิมมันไม่เจอเราอะไรที่ไหนเลยเขาให้ยืม ถ้าต่างๆที่มารวมกลุ่มกันก็เอาเป็นคนเป็นสัตว์ทีนี้เราเป็นคนเราต้องยกระดับจิตให้เป็นมนุษย์นี่นี่เรียกว่าต้องถอนตัวนี้ถอนออกไปถอนออกไปถอนออกไปเพราะฉะนั้นเราภาวนาไม่ใช่กูทีหนึ่งถอนทีหนึ่งไม่ใช่กูทีหนึ่งถอนทีหนึ่งถอนออกไปถอนออกไปว่าถอนออกไปเป็นยังไงสุญญโตโลกังเอาเวกัดสุ ดูก่อนโมกขราชท่านจงมีสติมองโลกเวกัสุมองโลกด โ, ลโดยความเป็นของว่างโดยความเป็นของว่างก็คือว่างจากตัวตนมองที่ตรงไหนหวงพ่อก็บอกแล้วบอกอีกมองที่ตรงไหนพอจิตเป็นสมาธิยกจิตที่เป็นสมาธินั้นขึ้นสุยปัฏนาดูจิตไหนจิต มันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเราคิดว่าไอ้ใจที่เป็นก้อนๆเน่เป็นจิตมันไม่ใช่มันไม่ใช่เราคิดว่าสมองเป็นจิตมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่จิตนะเป็นนามธรรมจิตไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีสีไม่มีแสงไม่มีอะไรทั้งนั้นจิตมันว่างจิตเดิมนะมันว่างจากตัวตนหลวงพ่อก็บอกว่าจิตว่าง จิตว่างนั่นแหละคือเป็นจิตที่สงบเย็นจิตสงบเย็นมันมีก่อนที่จะมีโลกมีจั ก, กรวาลมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวมีอะไรขึ้นมาต่างๆจิตว่างนั่นคือจิตว่างจิตว่างจิตที่สงบเย็นทีนี้พอเราถอนความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถอนความทุกข์ถอนตัวกูออกไปพรความรู้สึกว่ากูเกิดขึ้นมา เพราะเราเคยชินกับการปฏิบัติว่าไม่ใช่กูก็กดตอบเลยไม่ใช่เพราะมันบอกว่านี่เนื้อหนังกูไม่ใช่ไปยืนหน้ากระจกหวีผมให้มันหน่อ ย, อ ย, ยมันหยาบมันตกกระปรกเกินไปทําให้มันเรียบเรียบร้อยๆก็ไม่ใช่กูพอจะไปหน้ากระจกเนี่ยยังไม่ถึงกระจกเลยบอกว่าไม่ใช่กูพอยิ้มให้ยิ้มเพื่ออะไร เปิดปากออกเพื่อจะดูว่ามันมีอะไรที่จุกกระโกติดฟันไหมมันก็ไม่ใ่กูไม่ใช่กูทางนั้นอา้าวแตอยากจะเห็นว่าโกูกินไปอีกอ้าปากอ้าปากให้กว้างกว้า้กว้างกว้างดูในกระจกเห็นอะไรเห็นฟันเห็นลิ้นเห็นลิ้นไก่เห็นอะไรอ๊้มันเป็นโปรงลงไปนี่มันสำหรับที่จะ ใส่เข้าไปแล้วอาหารก็ลงไปทีปท่ลำคอจากลำคอก็ไปที่กระเพาะก็ดูมันที่แล้พรุ่งนี้เช้า น, นี่ก่อนที่จะมานี่อะไรมันออกไปแล้วไม่ว่าอุจจาระหรือว่าปัสสาวะไหนเมื่อวานมันเป็นยังไงแล้าววันนี้มันเป็นยังไงโอ้จกกระปลกสิ้นดีนี่หรือตัวกูนี่หรือตัวกูอลองคิดดูดิฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวกูจากเส้นขนหนึ่ง ที่ตาที่หูที่ร่างกายนี้มันไม่มีอะไรเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยก็เกิดเห็นอนิจจังขึ้นมาเห็นว่ามันไหลเรื่อยอาหารก็ไหลเรื่อยวัยของเราก็ไหลเลื่อยเราก็ท่าปีใหม่ทีหนึ่งสนุกทีหนึ่งส น, น, นุกที่ไห น, นมันส น, <c oughs> น, น, นุกที่ไหนสนุกที่ข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันแ ก, แ ก, แก่แล้วมันสนุกที่ไหนมันแก่ลงแก่ลงแก่ลงแล้วมันสนุกที่ไหน นี่มันจะตายวันตายพรุ่งนี่มันสนุกที่ไหนเหลือ30ปีกรุงเทพน้ําท่วมเกศเม็ดเหลือแต่คอนโดแล้วใครมันจะอยู่บนคอนโดอยู่ไม่มีอะไรกินกินแต่น้ําอย่างเดียวมันจะอยู่ได้ต่อไปก็เป็นเมืองร้างกรุงเทพนะนี่ท่านจําเอาไว้ด้วยนี่นาซาเขาก็าว่าอย่างนั้นแต่ว่าคนที่พระทรงองค์เจ้าหรือคนที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้อภิญญานะ พอได้ปัญญาก็ก็เห็นว่าที่ตรงนั้นท่วมตรงนี้ท่วมตรงโน้นท่วมเกิดอุทาปาอุทาการไยขึ้นมาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเกิดภูเขาวควายแล้เบิดขึ้นมาเกิดจุดดับที่ดวงอาทิตย์แล้วเรามีลมถุริยะลงมากระทบแล้วก็ทําให้เสียหายอะไรอะไ ร, ะไรโลกนี้อนนี้มันเป็นอย่างนี้แง่ทาไมท่านไม่ปฏิบัติธรรมทำไมไม่ปฏิบัติธรรมแง่ปฏิบัติธรรมทาไม ถามคนโง่คนโง่ก็ตอบว่าได้ปฏิบัติทํำไยไม่ต้องไปตอบเขาเราปฏิบัติเพื่อหนีตายแต่ไม่ใช่ว่าหนีตายอา้าอยู่กรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่เอาไปอยู่เชียงใหม่ผู้เขาคอยระเบิดหรือว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอีกเอา้าหนีไปไหนอีกหนีไม่พ้นหนีตายนะหนีไม่พ้นไม่ต้องหนีกลางอากาศก็ตายได้ เรื่องบินมันตกเรื่องบินยังตกยังไม่ถึงดินเลยตายแล้วที่ไหนก็ตายได้หมดแล้วมันตายได้หมดแต่ว่าหนีตายนี้ก็คืออย่ามีกูอย่ามีกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่ใกูถ้าไม่ใช่กูเป็นยังไงตาเห็นพอตาเห็นตารูปจากกูวิญญาณปัจจาถ้าไม่เกิดเวทนาพอาไม่เกิดเวทนาทีนี้เราจะหนีตายแล้วเราจะหนีตายแล้วตอนนี้ ตารู้จากปูวิญญาณสามอย่างทํางานร่วมกันทําให้เกิดปัจจาปัจจาคือการกระทบพอเกิดปัจจาขึ้นมาสิ่งที่จะเกิดต่อไปคือเวทนาจะเกิดทุกขเวทนาก็ได้ทุกขเวทนาก็ได้อาทุกขมาทุกขเวทนาก็ได้พอเกิดเวทนาขึ้นมาหรือเกิดปัจจาขึ้นมาเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตรงนี้เตรียมพร้อมยังไงมีสติมีสติเตรียมพร้อม อยากเวทนาขอเป็นตัณหาทีนี้แต่จิตคนนั้นยังโง่อยู่ก็เกิดกามตัณหาเห็นแล้วก็คลายพอใจภวะตัณหาอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาโอ้ยมันไม่ได้ดังใจเลยฉันอยากจะตายแล้วมันจะไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วนั่นดังนั้นก็เรียกว่าเกิดตัณหาพอตัณหาแล้วเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นเกิดยึดมั่นถือมั่น นี่สายเกิดนะเกิดยึดมั่นถือมั่นเกิดอุ ป, ป, ปาทานกามุ ป, ปาทานยึดมั่นถือมั่นในการทิฏฐุ ป, ป, ปาทานยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นก า, า, ารมุ ป, ปาทานทิฏฐุปาทานศีระปตูปาทานอัตวาทุปาทานสีระปตูปาทานอู้ไปเอามาสินั่นแหละเอามาเสร็จแล้วเอามาครองคอฟันก็ไม่ข่าวฮยิงก็ไม่ข่าวแทงก็ไม่ข่าว แล้วมันไม่ตายมันไม่ตายยิ่งไม่ข้าวแทงไม่เข้าวเลยมันไม่ตายเลยมันประมาทนั่นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เอนี้อัตตาวัตุปาทานยึดมั่นถือมันว่ามีตัวกูนั่นเรียกว่าอุปาทานอุปาทานตัญหาเป็นปัจจัยทําให้เกิดอุปาทานอุปาทานทําให้เกิดภบเกิดภบ พบนี่เปรียบเหมือนคนมีคันคนที่ตั้งคันตั้งครนเหมือนกับว่ายังไงพอตั้งคันที่นี่ก็คลอดทีหนึง่งไม่ต้องรอ9 10, 10, เดือนสิเดือนโอ้ตั้งคันคลอดตั้งครนคลอดตั้งคันคลอ ด, อดอมีลูกศิษย์คนที่เป็นหัวหน้าไกลนั่นแหละตอนนี้ก็ยังไม่กลับจากอินเดียไปไปไหนไปไปไปเมืองนอกไปเมืองนอกเมืองนอกกลับมาถึงก็เครื่องบินจัดลง พอลงก็จะลงถึงพื้นเนี่ยปลืบเปลืลงไม่ได้ลงไม่ได้เครื่องบินกญัาณไปทั้งลําโอ้ยตายแล้วหลวงพ่อตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วเขคิดอยู่ในใจอย่างนั้นเขาก็เลยภาวนาว่าไม่ใจกูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเนี่ยเขาโทรมาบอกหลวงพ่อ huh? ว <'s> ่าม <What? S 1> ันไม่ทันแล้วอย่างนั้นภาวนาว่าว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่ว่ว่างจากอะไรว่างจากตัวกูว่างจากตัวกู ภาวนาว่างว่างว่างว่างว่างว่างเพื่อเราบาดเจ็บเจบอย่างหนักว่างว่างว่างว่างว่างว่างตัวเดียวว่างตัวเดียวหรือว่าไปเที่ยวปีใหม่รถยนโครมก็เหลือเวลาสามนาทีจะตายแล้วสติดึงปัญญามาเลยดึงปัญญามาถึงก็ภาวนาว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างจากตัวกูคนนั้นก็ว่างทันทีเลยจิตดับว่างจากตัวตัวว่างจากตัวกู พระรูปหนึ่งเข้าไปภาวนาในป่าไปนอนนอนๆอนภาวนางูใหญ่ก็มางูใหญ่มามาถึงคาบก็ไปครึ่งตัวแล้วพอคาบก็ไปครึ่งก็ไปครึ่งตัวแล้วทำยังไงทีนี้ว่างว่าง่างว่างว่างวงว่างว่างเอหว้ยว่างๆๆางว่างงอไวไม่ใช่ครูแล้วก็เลยดับจิตตัวนั้นก็ว่างเด็ดขาด เป็นเรียกว่าได้พระอรหันต์ในปากงูเลยพระองค์นั้นีเห็นไหมเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เราต้องทําว่างว่างว่างว่างว่างว่งว่างว่างว่างว่างเ่างว่างวอ้ว่าอย่างนั้นร่างกายก็อยู่ส่วนร่างกายความเจ็บก็อยู่ส่วนความเจ็บที่ร่างกายแต่เสร็จแล้วกิตนี้มันว่างแล้วจิตว่างมันออกไปแล้วดังนั้นในเรื่องนี้ตาเห็นรูปเกิดจากกูวิญญาณ เกิดปัจจาร์การกระทบเกิดเวทนาพอใจไม่พอใจเฉยเฉยแล้วก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดพบนี้ก็คือพอพอมันตั้งขึ้นมาทีหนึ่งตั้งกันทีหนึ่งครอดทีหนึ่งตั้งกันทีหนึ่งกรอดทีหนึ่งก็คือความทุกข์นั่นแหละตั้งกันทีหนึ่งครอดทีหนึ่งนี่มันครอดออกปุ๊บปุ๊บเหมือนกับงูพวกนั้นนาะงูเนี่ยมัน ไข่ทีเดียวออกมาพุทธพุทมันจะติดกันเป็นแถวนั่นแหะนั่นแหะคือมันคลอดความทุกออกมาจนเราเอาไม่ทันนี่นี่เราก็ว่างว่างว่างวงว่างว่งงวงงเอะว่างว่างอย่างนั้นนี่ยแคนี้เสร็จแล้วก็เป็นชาติเป็นชาติก็คือเป็นทุกทีหนึ่งคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็เป็นชาติทีหนึ่งทุกทีหนึ่งเป็นชาติทีหนึ่งทุกทีหนึ่งมันทุกติดเร็ว หรือเลยทยีนี้ทำยังไงนั่นสายเกิดทุกเรียกว่าสายเกิดทุกทีกนี้ไอ้สายดับยังไม่ว่าเพราะเวลามันหมดแล้วกินก็ไปสิบนาทีแล้วหลวงพ่อจะไปบินธบาติอนนั้นต้องว่ากันไปอีกต่อไปสายดับว่ามันดับยังไงตั้งต้นที่นารูป อ่านามรูปเป็นสราญตนะสราญตนะก็ทํางานเป็นปัจจาเป็นเวทนาเป็นตระหาเป็นอุปาทานเป็นปบเป็นชาติแล้วก็เป็นทุกข์เอาไว้แค่นี้ก่อนอขอให้ท่านไปพินิจพิจารณาดูก่อนปีใหม่นี้ต้องมีปัญญาิมากมากๆๆกมากมาก ม, ก ม, กมกเอาไว้อา้าการบรรยายในภาคเจ้าของวันที่หนึ่ง อยากว่าเป็นโสกสที่มอบให้ท่านทั้งหลายก็ขอให้ท่านทั้งหลายไปพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญาจงทุกทุกท่านตื่น